เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง312สมัยนั้นลุงของภิกษุรูปหนึ่งป่วยอยู่ในกองทัพเขาส่งข่าวไปถึงภิกษุนั้นว่าลุงกําลังป่วยอยู่ในกองทัพนิมนต์ท่านมาลุงปรารถนาให้ท่านมาเยี่ยมภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุไม่พึงไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบนี่ลุงของเราป่วยอยู่ในกองทัพเราจะพึงปฏิบัติอย่างไรดีเล่า ภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงอนุญาตให้ไปในกองทัพได้เมื่อมีเหตุผลที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธัมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ไปในกองทัพได้เมื่อมีเหตุผลเช่นนั้นแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้